หนาวเปิดไว้บ้างก็ได้ใครร้อนที่วัดหนังสารเนี่ยโดมเจ็ดแสนทิสตันอู้จุงเครื่องเหมือนลังผึ้งเลยทิสตันอยู่กลางเดรีที่ภูเก็ต อาจารย์เชาอาจารย์เชาไม่สอดเป็ค น, คนคนต้นคิดหาไปเราเห็นเราก็บอกโอ้ยเอาให้เราเอาไปใส่ <respuesta> ที่บันโคลเลยเราเอาเลยใหญ่นะอู๋นอนเนี้ยจนครึงชี้นเืิมชิ้นเียวช้นแรกเท่ไหร่ รูมสะท้อนแต่๋ราคาทั้งเจ็แสนเขาว่าล้านกว่าเพราะดีจ้ากะคนขายเนี่ยเขาร่วมมือด้วยราคาต้งเป็นล้านล้านกว่าทำของดีเราก็ได้ของดีทำสินค้าเลิศเราก็ได้ของค้าเลิศทำสินค้าพิเศษเราก็ได้ของพิเศษ มีทำบุญกับของเลิศได้ของเลิศทำบุญกับของกระเซิฐก็ได้สิ่งที่กระเซิดถึงฐานะที่เลิศถึงฐานะที่กระเซิดคนเราชอบทท้านั้นแหละฐานะที่ดีฐานะที่เลิศฐานะที่กระเซิดแต่มันเป็นเพียงความปรารถนาความต้องการของทุกคนถ้าใครตั้งอันนี้เอาไว้เป็นเป้า พยายามเดินไปศึกษาไปไข้คว ร, ครไปแล้วก็ทําไปอะไรเป็นของดีอะไรเป็นของดีเลิศอันไหนเป็นของที่ดีที่ประเสริฐที่สุดพยายามศึกษาเข้าไปคนชาติพุทเราสํารวจตรวจตราดูแล้วไม่มีอะไรเดินพระพุทธเจ้าก็ทํารพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหะ ท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของกายกายกรรมพฤติกรรมของวาจาวจีกรรมพฤติกรรมของใจหรือมโนกรรมสอนไปสอนไปที่อื่นทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะกลับย้อนมาเป็ น, นเครื่องช่วยปรับพฤติกรรมของเราให้ดีขึ้นเพื่อที่จะถึงความดีเพื่อที่จะถึงความดีเลิศเพื่อจะถึงความดีประเสริฐ ที่กรรมนี้เท่านั้นแหละที่จะปรับให้เราเหมือนอย่างเราตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็พยายามเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเหมือนอย่างพวกเราปรารถนาความเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมเป้าประสงค์จุดสูงสุดก็คือเอาสติธรรมเอาสมาธิธรรมเอาปัญญาธรรมเนี่ยไปลบล้างความทุกข์ ซึ่เกิดขึ้นจากความรุ่งของหมวยใจของเราในสําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ท่านบัตรขึ้นมาเพื่อเอาความทุกข์ออกจากหมวยใจสัตว์ที่เป็นไปในโลกในโลกีในโลกียสุขทั้งหลายทั้งปวงมีความปรารถนามีความตั้งใจที่จะเหมือนกันหมด แต่การที่เรามีกําลังไฟไม่ถึงัน่ะมันมีสิ่งคอยตัดรอนคอยรีบร้อนเราอยู่เราถึงไฟไม่ถึงความหลอกหลอกความไม่ตั้งใจจริงจังความไม่มีปัญญาควา ม, มความไม่มีปัญญาในหัวใจของเราเนี่ยมันแปลให้เราผิดผิดทำให้เราเข้าใจผิดผิ ด, ผดขอที่มีคนโกรธก็โกรธ ของที่มีคนโลภ ก, ก็โลภของที่มีคนอิจฉาริ่เสียพยาบามจองเวรจองร่างจ้องสามมันก็จองเวรจองร่างจองสามของที่ไม่พอที่จะเป็นไปเพื่อตัณหาราคะมันก็พุ่งจนเป็นตัณหาราคะขึ้นมาแต่และอย่างแต่ละอย่างก็จะเป็นสมุทยัยมัดเราเอาไว้ในกองทุกข์ มัดเอาไว้ในกองสังขารกรองสังขารคือกองทุกกองทุกคือกองสังขารที่ใดไม่มีกองสังขารที่นั่นไม่มีกองทุกไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาความปรุงก่อให้เกิดความปรุงความอาฆาตก่อให้เกิดความอาฆาตความพยาบาทก่อให้เกิดความพยาบาทความโลภก่อให้เกิดความโลภสิ่งวันนี้มันเป็นเหตุรเป็นผลในถั่วของมันเอง แต่พระบุตรเจ้าท่านเป็นผู้รู้เหตรู้ผลรู้ว่าผลอะไรบ้างที่จะมาแก้ความโลภที่จะมาแก้ความโกรธที่จะมาแก้ความรุ่มหลองหัวใจของเราพระองค์ทรงสรุปหลังจากพระไทยของพระองค์วอนสุดหมดจบเป็นหนึ่งเดียวพระองก็ลงมาสรุป ในหลักอริย ม, มะรโยงแต่สิ่สมาธิปัญญาก็เล่ามาให้พวกเราจําง่ายๆเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเราคว้าทีไรเมื่อไรคอยมีสิลงติดไม้ติดมือขอยมีสมาธิติดไม้ติดมือคอยมีปัญญาติดไม้ติดมือคำวาสิ่งก็คือมีข้อปฏิบัติที่เราควรสํารวมระมัดระวังเช่นอย่า ง, างเปบญจะสิ่งเบญจะทำเนี่ย พวกเราพุทธบริษัทโดยเฉพาะคาราวาคาราวาดแลว่าผู้ครองเรือนคาราวาดแลว่าผู้ครองเรือนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือศีลเป็นจะศีลแล้วก็เป็นจะธรรมมันมีทั้งศีลมันมี ท, ทั้งธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรง ก็ทานไว้บัน ญ, ญัิเอาไว้มีเหตุมีผลในตัวพอเรื่องของศีล น, นะเป็นเรื่องของเป็นเหตุเป็นผลในตัวความโกรธเป็นเหตุให้คนเราขาดความเมตตาเป็นอย่างการฆ่าสัตว์นี่การฆ่าสัตว์การฆ่ามนุษย์ด้วยกันในบางทีเพราะ่าดกด้วยความโกรธ ไม่โกรของตัวเองกขาโกรธของคนอื่นเช่นอย่างถูกเขาจ้างไปค่ายานี้ความโกรธของคนอื่นความไม่พอใจของคนอื่นพยายามพยายามบัตรองร้ายของคนอื่นเราสงบระงับได้สัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวใหญ่รวมไปถึงสัตว์มนุษย์เราสงบระ ง, ง, ง, ง, งับได้เพราะเราทะลึกถึงองค์ศินเราไม่อยู่แค่องค์ศินเราขยับเข้ามาถึงองค์เมตตา เป็อง์ธรรพระอง์เมตตานี่ยเป็นองค์ไประงับดับความความโกรธดับความโลภระงับระงับความโลภระงับความโกรธเมตตาระงับความโลภได้ระงับความโกรธได้ระงับโดยสองก็คือระงับความโกรธเ้าโกรธขึ้นมาเราไม่ตอบโต้กลับเข้าไปเมตตาเข้าไป เขาน้ำร้อนสาดเข้ามาเราน้ำเย็นสะาดเข้าไปไฟเล็บแล็บมาเราน้ำเย็นสาดเข้าไ ป, าาาไปทุกคนมีเหมือนกันเมตตามีเหมือนกันเป็นกำลังไม่มากบางทีกำลังน้ำร้อนมากกว่ากำลังเปลวไฟมันมากกว่าเรามีน้ำเมตตามีอยู่ถ้งมีนิดหน่อยมันไม่คว่ำจะดับเราประโอดไม่ได้กดโกรธไม่ได้แง่ ทัไม่ระดูโกรได้ต้องเจริญเมตตาให้มากๆหนึ่งเพราอย่ามุ่งคำให้ฆ่าสัตว์รวมไปถึงเห็นบุญเห็นคุณของสิ่งที่มีบุญมีคุณรวมไปถึงสิ่งที่เป็นโทษฆ่าสัตว์เป็นโทษหนึ่งผิดศีลสองผิดธรรมขาดเมตตาขาดเมตตาแล้วก็ไม่ใช่แล้วนะเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรม โดยเฉพาะเมตาสัตว์ด้วยกันมันก็ยังเป็นเป็นเวรเป็นภัยต่อกันดูแต่พระท่านเย็บยีวร์ปลายเข็มขนานไปแทงเลนทิ่มอยู่ในยีวระท่านไม่รู้เลยซ้ำไปว่าเลนมันตายเพราะปลายเข็มของท่านนั้ยังเป็นเวร เ, เป็นกรรมกันนะที่ท่านเล่าเอาไว้ถ้าท่านเย็บยีวร์เทียบไปแล้วปลายเข็มท่านะไปถูกตัวเลนทิ่มอยู่ในยีวรตายสมัยก่อนนั้นน่าจะมีเลนเยอะเลนนั่นก็ตาย ตายไปแล้วตายปุ๊บเกิดเั้ไปเกิดเป็นคนไปเกิดในท้องมนุษย์พระนั้นยังอยู่ในอัตภาพนั้นตัวเล่มตัวนั้นไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายโตวันโตคืนอายุสิบกว่าปีสิบห้าสิบหกปีมีนิสัยเป็นใหม่พราน้ยแต่พระองค์นั้นยังอยู่ในอัตภาพเดิมเล่มตัวนั้นตายไม่ใช่ความเจตนาจงใจของพระ แต่ตายเพราะปลายเข็มไมถูกท่านไม่ได้มีเจตนาเลยแต่ตายเพราะปลายเข็มแต่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของพระกิริยาของกายแน่เป็นกายกรรมแค่นั้นก็ยังให้ยังให้ผลเป็นเวรเป็นภัยเป็นกรรมกันนี้พอในพรางเขาโตมาเขาก็ออกป่ามีวันหนึ่งครก็อยู่แถวนั้นละแวกนั้นแหละในพรางก็ไปเกิดละแวกนั้นแหละอ่า วันหนึ่งเขาออกป่าเขาหาเนื้อสักตัวเขาไม่ได้วันนั้นก็เดินถือหอกกลับไม่มีเนื้อติดเนื้อติดไม้ติดมือสักตัวหนึ่งเลยเดินกลับบ้านมาพระออกจากบ้านเพื่อที่จะไปที่พักอยู่ในป่าเดินสวนทางกันมองเห็นกันจากไกลพระมองเห็นนายพรานแบกบหอกมารู้สึกกลัวเพราะกรรมมันบันดาลให้กลัวเพราะเคย เป็นคู่กรณีกันนะตายพระกิริยาของพระเอิยพานทีนี้นายพรานนี่วันนั้นเออวันนี้เราไม่ได้สัตว์สักตัวเลย ว, วันนี้เราไม่ได้อะไรสักตดเดินกลับบ้านมึงเปล่าแต่บังเอิญเห็นพระแต่ไกลงวันนี้รู้สึกอยากกราบพระอยากไหว้พระเกิดความรู้สึกอยากไหว้พระในใจเดินไปเดินไปไ ป, ไปถึงตรงที่ท่าปรางกอนะอ้าวพร ะ, พร ะ, ะาหายไปไหนแล้วไม่เห็นล้วพระนั่นนะ่ะหลังจากเห็นนายพรานครับกรรมมันบันดาลให้กลัว หลบเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้พอในพรานเข้าไปถึงตรงนั้นเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่ท่านกลัวห อ, อกเราเนียเลรอเห็นเราแบกห อ, อกมาท่านคงจะกลัวห อ, อกเราหลบไปที่ไหนก็ไม่รู้เลยโยนห อ, อกทิ้งเข้าไปในในพุ่มไม้ไปแทงพระแอะอยู่ในนั้นเลยตานี่ในพรานก็ไม่ได้เจตนาเห็นไหมเป็นกรรมไหมไม่ได้เจตน า, ต, าต่างฝ่ายต่างไม่ได้เจตนาอ่ในพราน ตอนเป็นเล่นก็ไม่ได้ตายเพระเจตนาของพระพระถูกหอกตาเขาไม่ใช่เจตนาของนายพรานนี่คือกรรมอย่าว่าสิ้นขาดแล้วก็แล้วมันไม่แล้วเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมทำอะไรจะพยายามหลบเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นท่านยังให้เจริญเมตตาเข้าไปเมตตานี้เป็นเปบญจธรรมนะคู่กับปรับกันกับข้อหนึ่งฆ่าสัตรู รักทรัพย์รักทรัพย์เราฆ่าเขาเขาฆ่าเราเนี่ยท่านให้เทียบใจเขาเทียบใจเรารักทรัพย์เป็เช่นเดียวกันทรัพย์ของเขาถ้าเป็นทรัพย์ของเราท่านให้เทียบกลับไปเทียบกลับมาอย่างนี้อถ้าเราลักของเขาเดี Pop ๋ยวเขาก็จะมาลักของเราเขามาลักของเราเราโมโหตอบแทนเดี them, well, <Hey. S 2> ๋ยวกป็นล <product> ักของเขาเลยตอบแทนนั่นไปตอบแทนกันมาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีเป็นเป็นกรรมธรรมข้อสอง ท่านจึงให้มีสัมมาอาชีวะเรียงชีวิตชอบเลียงชีวิตชอบมีการงานชอบมีการงานชอบมีคือการงานที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมสัมมาอาชีวะคู่กันกับรักทรัพยินดีพอใจสันโดษในทรัพย์ในสิ่งของที่เรามีอยู่ศิลข้อ2ศงสิ่ข้อสาประพฤะะติผิดในกามโดยปกติมนุษย์เหล่านั้น มันยังมีสิ่งตรงนี้ที่เป็นครังเป็นดมอยู่เพราะเหตุ น, นั้นเรากิงเมาบัตรในโลกมนุษย์ท่านเล่าว่าพระอนาคามีดับที่วายชวนฟ้าไม่มาเกิดในมนุษย์โลกอีกแล้วเพราะในมนุษย์โลกนี่เป็นชั้นของกามภูมิพระอนาคามีท่านพ้นจากอำนาจ ก, กามไปแล้วความไข้ความกำหนับในรูปในนามมีความกำหนับในรูปและความกำหนับในรูปได้ ละความกําหนังในนามยังไม่ได้ทั้งหมดละแค่ได้ความกำลังละความกําหนังในรูปได้ละความกําหนังในกรรมในรูปได้ทั้งหมดละถึงขั้นเด็ดขาดจนไปถึงรูปสัญญาสัทธะสัญญ า, ส, ญญาสิ่งที่เป็นสัญญาในภายในละได้หมดตามหลักที่ต้กล่าวเอาไว้พระอนาคันิละ ะละล ะ, ละการมันสังโยคได้ยี่สิบละการได้ยี่สิบยสคือยึดถือกายยึดถือเวทนายึดถือสัญญายึดถือสังขานยึดถือวิญญาณละความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องการได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นยังมีความเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะละขั้นในรูปของกามได้เช่นอย่างเราเห็นโทษในกายส ก, กายทิฏฐิละส ก, กายทิฏฐิได้เลิกความสําคัญมั่นหมายในกายตัวเองเนื่องจากว่าเข้าไปถึงธรรมะขั้นหนึ่งระดับหนึ่งแต่ยังละความปอใจในเวทนาสัญญาสังขารยังไม่ได้พระอนาตพระโสดาบันยังจะต้องมาเกิดพระสกิทาคายังจะต้องมาเกิด แต่พระอนาคานุไปเกิดเลยสวรรค์ขั้นไปที่เรียกว่าในสุทาวาตรมโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นพกเราเมาบัตในกามาโลกยังมียังมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นกำลังแต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีข้อจากัดให้โดยเหตุที่มนุษย์เป็นไปอย่างนี้อยู่ได้อย่างนี้เขายังมียังมีการประพฤติเกี่ยวกับเรื่องกามอยู่ แต่เขาไม่เป็นไรจำกัดขออยู่ในีน้5ให้มีแค่สามีแค่ภรรยาให้ยินดีกับสามีกับภรรยาของตัวเองอาจารย์ชูธรรมกชอบเอามาเปรียบเทียบเหมือนกับไฟในเตาเหมือนกับไฟในเตาไฟในเตาน่เกิดประโยชน์หุงนึ่งปง้ย่างต้มได้ไฟในเตาอย่าให้เอ อ, อกนอกเตาหมายความว่าให้ยินดีให้สันโดษในคู่ครองของตัวเอง ถ้ไม่สันโดในผู้คร้องตัวเองเหมือนเอาไฟออกนอกเตารู้มันจะไปไม่อะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการขาดสินผิดสินข้อสามีความหมายความว่าไม่หัวใจไฟมันไม่หัวใจไฟไม่หัวใจหัวใจเร่าร้อนพ่อแม่แตกกันลูกแตกพ่อลูกแตกแม่พ่อแม่แตกลูกเนี่ย ม, มาที่อยู่ด้วยกันมีสมบัติด้วยกันมีลูกด้วยกัน เวลายแยกกันโอ้แยกยากเหลือเกินนะและยิงมีการจดทะเบียนด้วยแล้วนะี่โอ้แยกจากกันไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่ธามากินร่ำรวยในระหว่างที่เราหลังจากเราจดทะเบียนแล้วมันเป็นสมสมบัติมรดกสมรถสมรถที่เกิดขึ้นจากการที่เราสมรรถกันแล้วแต่งงานกันแล้วมีแล้วเป็นอันว่าจะต้องแบ่งกันจะต้องแก้กันบางคนแบ่งแยกไปแล้วอีกฝ่ายมีก็จะเสียดเปรียบ ให้ยาอะไรก็ไม่ยอมอยาเพราะอะไรเพราะถ้ายยาแล้วเนี่ยจะต้องแบ่งชาให้เขาแต่ก็ตัดใจไม่ให้ไปเกี่ยวข้องทอร ม, มานใจกันนี่ออกจากันยากยากลูกก็เกือบปมได้ให้กับหัวใจท่านเองนี่คือสาเหตุของการเอาไฟออกนอกเตาแต่ไฟอยู่ในเตาไม่กระไกลถึงคราเราหงเรานึ่งเร า, เร า, เราปิ้งเราต้มเราต้มไป แต่ถึงเราครา ว, ราวเราทําบุญเราต้องการสงบระงับดับกามอยู่บ้างเราว่าสงบระงับดับได้โดยเฉพาะศีนข้อสามเนี่ยเวลาเราต้องการให้กามสงบระงับเราก็ต้องมาภาวนาเพื่อตัดรูปตัดเสียงตัดกลิ่นตัดรสตัดความพอใจเกีย่ยวกับความสัมผัสสัมผันสกันเกีย่ยวกับเรื่องของวัตถุกามให้เมื่อเราตัดได้ หมาว่าเราจะเริ่มสำรองกามได้เราจะเริ่มวางกามได้วางกามได้หมายความว่าใจของเราสงบทําไมเราจึงรู้ว่ามันสงบแล้วมันวางกามได้เพราะมันไม่ได้ปรุงเรื่องรูปรูปที่เราชอบชอบไม่ได้ปรุงเรื่องเสียงเสียงที่เราชอบชอบเรื่องกลิ่นเรื่องว่าเรื่องสัมผัสความสัมผัสความผูกพันที่เราชอบชอบเราละได้ละได้เท่าไรเพราะ ใจเราสงบใจเราสงบเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจภาวนาเอาจิตมากำกับที่ผู้รู้บริกรรมอยู่ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไม่นึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องผินเรื่องรสเรื่องสัมผัสซึ่งเป็นอารมณ์ซ้ำๆเดิมๆเรนๆอยู่นั่นแหละแต่มันมีรสชาติของมันอยู่เพราะฉะนั้นจริงว่า <laughs> มันมันเป็นยอดของกามเอาออกยาก ตัดยากลําบากมากแต่ไม่เหลือวิสัยสำหรับพูดตั้งบท ต, ตั้งใจวิสัยของศ า, ศาสด า, านี้วิสัยของศาศาพระษาโกนี้สามารถตัดได้ทําได้ตามแนวปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเราหยุดความนึกคิดเหล่านั้นได้แสดง ว, ว่าเราเอาใจออกจากกามได้ขั้นหนึ่งระ ด, ดับหนึ่งการหนึ่งคราวหนึ่ง เ พ, alloy yun, พิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอเคนึกได้คิดได้อะไรได้เริ่มหางไปแล้วมันก็เริกถึงกายมัน eh. ไม่กําเริกถึงกายนัาเข้าเราก็สนบกระนับดับที่ใจเอาอารมณ์ที old, Vanguard, 哈哈哈่เป็นอารมณ์กรรมฐานนี่แหละมาบําบัดมากํากับพุทโธพุทโธพุทโธให้มันอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุทโธไม่ปล่อยให้ตัณหามันพาไปนึเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องเรื่องสัมผัส ใหมันก็สงบสงบอยู่กับบทธรรมแท่ที่จริงบทธรรมเหล่านี้แหละเราควรทำเป็นอาคินควรยึดมาเป็นข้อเป็นหลักปฏิบัติประจำวันของเรามันจะกลายเป็นวัตจักรของธรรมกรรมิบากธรรมกมิบากผลเสดผลเหลือผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมวันคืนลงไปผลรายได้เป็นเรื่องของธรรม คนได้ได้ไปเรื่องของทำทำอันนี้แหละมันจะตะล่อมหลอมมาที่จิตใจของเรามันจะเริ่มชะเริ่มลา้างเริ่มสะเริ่มสางให้ใจของเราเริ่มมีความสงบขึ้นเริ่มมีสติแน่นหนามั่นคงขึ้นเริ่มมีปัญญาขึ้นเริ่มรู้เห็นจัดจะทำอยากยาวขึ้นมีความสุขมีความยิ้มเพิดมีความเบิกบานมีความอบอุ่นในหัวใจเกิดความรู้สึกว่าโอ้เราได้บุญเรามีบุญมันมีความประยิกยินเยี่ในหัวใจ เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งอกตั้งใจทําอยูน่นี่แต่ถ้าหากเราไม่ทํากิเลนก็ทําโดยอัตโนมัติเข้ามันอย่างที่อาารพูดถว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสก็คืออะไรเราไม่ได้อาจิตมาภาว น, ะนาจิตมุขเราเนื่อเรื่อรูปรูปที่ดีๆมันก็ชอบไปเกาะรูปหญิงก็ตามรูปชายก็ตามรูปนิ่งก็ตามรูปเป็นก็ตาม แต่ถ้าหามันจกหลึกไปที่หัวใจแล้วเนี่ยมันกลายเป็นรูปเป็นมันกลายเป็นรูปอยาหดเยอะมันคลุแต่งไปตามเรื่องตามราวของมันสารพัดที่มันจะยักย้ายผันแปรดูนีนี่นั่งกำหนดจดจ่อลองดูมันหาดมันอยู่ได้ด้วยอารมณ์ของของความสงบอารมณ์ของฌานเราเอาสติพระสติเป็นตัวหนึ่งเดียวที่มาปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว พราะฉะนัเราภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธพอ ส, สติเราจานปับ๊บประคาา ส, สติปับ๊บแน่ปัญหากระแทกเขา้เขามาแล้วตราบใดทีส่สติอยู่เต็มรูอยู่มันแทกเข้ามาไม่ได้เพราะความรู้อารมณ์ภายในจิตของเรานั้นนะ่ะอารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดขณะละหนึ่งอารมณ์ครั้งละหนึ่งอารมณ์มันชัดอยู่กับอารมณ์ใดเราก็ตั้งขึ้นมาปั๊บเราก็ประคอให้มันรู อยงั้นฉันอยากรกประคองพูดแผาโทรประคองโทถแผาพูดพูดโทพูดโทรประคองประคองได้ไหมเราย้อนจนในใจของเรามันประคองได้ไหมทำความรู้สึกให้ซึ้งยาวสื่บเนื่องกันไปนี่จะเรียกว่าประคองตามหลักเขาเรียกว่าวิตกวิจารวิตกวิจารวิตกก็คือดําริพุโทโธพุโทโถพุทโถ ประคองความรู้สึกให้อยู่กับพระร่มหนึ่งเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธทําจนสื่อต่อเนื่องนานๆเข้าไปแล้วเขาจะอิ่มพอเขาอิ่มแล้วเขาจะไม่บริกรรมพุโทโธจิตก็ไม่ไปและ้ะตัณหามไม่แทรกไม่ได้เพราะจิตมีกําลังจิตมีฐานจิตมีพลังตัณหาไม่แทรกเข้ามาจิตของเราสงบอพราะจิตของเราเริ่มสงบปัญญาของเราจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มละเอียดขึ้นสัจธรรมหยาบหยาบจะเริ่มปรากฏ ความรวดเร็วของจิตจะเริ่มรวดเร็วขึ้นความรู้เห็นความสว่างชัดในหัวใจของเราจะเริ่มชัดขึ้นสว่างขึ้นชัดขึ้นสว่างขึ้นนี่คือเราพยายามเอาใจของเราออกจากการมการที่เรามีใจออกจากการมนั้นะตามหลักท่านหมายถึงว่าเหมือ น, นเราเอาไม้แห้งกับไม้แห้งไปสีกันให้เกิดไฟมีโอกาสที่จะเก็ดเหี้ยได้ได้เลปลวไฟ เราเอาจิตที่สงบเนี่ยไปพิจารณาด้านปัญญาพิจารณาตามรู้พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาคิดพิจารณาทำซอสส่องเข้าไปถึงหลักในภายในเพื่อตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจตัณหาที่มันมีนมอยู่ในหัวใจของเราเราเหตุที่ใจของเราสงบมันละเอียดมันสงบสงบมันก็หมดจด จ, อจอ่อตามใต้ใ ต, ต, ต, ต้เป็นรูปเป็นรูปธรรมเป็นการเป็งานขึ้นมาในใจของเรา จนสามารถสงบระงับดับความอยากเห็นความอยากเกิดขึ้นสงบระนับดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บโดยเห็นที่ความตั้ง อ, อกตั้งใจแนบแน่แนมัน่นคงอยู่นั้นเหมือนเรากาหนดจุดจอ่อจ้องดูอย่างนั้นมันไม่กล้าโผล่ขึ้นมาผู้ที่รู้เด่นชัดที่สุดก็คือผู้รู้ซึ่งมีสติ ก, กํากับกำหนดจุดจอ่อแนบนิ่งที่เป็นองค์ของความสงบ ความสงบขั้นพิจารณาได้แต่สงบระเะลึกไปถึงอุเมกขาแล้วพิจารณายังไม่ได้ดอกต้องขยับถอยออกมามันมีขีดมีขั้นแต่สงบขั้นไหนระดับไหนก็ตามทําไปเถอะอย่าไปคิดโอ้สงบเกินไปแล้วเกินแล้วจําเป็นแล้วถึงคราวพอสงบลึกเกินที่เราจะพิจารณาได้ขเขาถอยเขาละเอียดเขาลึกเข้าไปแต่ถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้แล้วบางคนมีความรู้รู้ไม่เท่าทัน บางคนมีนิสัยออกเห็นออกเป็นรูปอนิมิตยอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมก็เพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นอีกแต่ถ้าหากเราพยายามจเจริญสติสัมมาชัญาขั้นกับตลอดเราจะได้เราจะเพียงแต่รู้ว่าเห็นเห็นสักจจะเห็นเห็นสักจจะเห็นมันจะเป็นรูปปัณิมณ์กากกตา ม, มันจะเป็นปรูปอนิมิตกาตาบางครั้งเราก็อาจจะ จะผิดเข้าใจผิดก็ได้รู ป, ปรสัญญาเกิดขึ้นเราก็ไปสําคัญมันหมายว่าเป็นรูปปณิมิตรูปปณิมิตเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นจริงก็มีในที่สุดเป็นรูปปณิมิตปลอมก็มีแทรกเข้ามาสมมวิใจของเราด้วยเหตุที่เรามีสติมีสัมผัสชั้นกากักบเพราะฉะนั้นบทเจริญมหาสติที่เป็นบดเจริญที่ครองมองขุด หมดเลยในแนวปฏิบัติทั้งหลักของสมถะและหลักของวิปัสสนามิตริขมุตโตจรออะไรอะไรก็ขึ้นระรอะไรก็ขึ้นกรรุ่ร น, น<ม>เพียงแต่รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้รู้แล้วก็ปล่อยๆถึงจะตามสิ่งเหลานั้นก็ไม่มีบทบาทที่จะแสดงฤทธิแสดงเดียดออกนอกรู้นอกทา ง, ท, างที่จะทําให้เราหลงเผลอแล้วก็เพลินจนตันหามแทรกเข้ามา ตันหามันคอยจะแทรกเข้ามาตันหาคือความอยากก็ตัวเจ้าตัวจอมที่มัดเราไว้ในกองทุกนี่แหละตัวตันหานแท้ที่จริงการเจริญปฏิบัติธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสงบระงับดับความอยากความอยากมาแทกมาอยู่ที่หัวใจของเราเหรือความอยากก็คือความอยากของใจของเราเองนั่นเอ ง, เองมันไม่ใช่มีสัตว์จิตตัวหนึ่งมาแทกอยู่กับตัวเราไม่ใช่มันเป็นพฤติกรรมของใจของเรา ซึเราไม่เคยไม่เคยย้อนมาดูไม่เคยย้อนมาฝุดมหัดมาดักมาแปลงมาแก้ไขมาชักมาล้างมาขัดมาเกลามันมันก็กำเริบเสื่สารจนเป็นนิสัยจนเป็นปุปานิสัยจนเป็นสันดาลจนเป็นกีเลสจนเป็นอนุสัยเกาะเหนียวแน่นมั่นคงอย่างหัวใจของเราขี่กับที่การขี่โพเรชาติมาแล้วคนเราไม่เชื่อ ว, วัาจะเกิดแค่อัตภาพนี้ขี่อัตภาพไม่ขี่อัตภาพเกิดมาแล้วเป็นอสงไขกลับกันมาแล้ว เรารู้ไม่ได้เป็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสัตว์ตกนรกชั้นนู้นชั้นนี้โผล่ขึ้นมาวนเวียนอยู่ในกามะพกรูปกรอารูปกรก opl นี่แหละไม่จบไม่สิน้นไม่ใช่เราเพึ่งจะเกิดเพราะว่าผู้รู้ของเราเรัเกิดมาปีกับปีกันแล้วเรารู้ไม่ได้เราทราบไม่ได้พุทธเจ้าท่านก็นไม่ทรงถ่ายไว้แม้พระจิตอับนบริสุทธิ์ของพระองค์พระอง์ก็ไม่ถ่ายเอาไว้พรองคตั้งไว้ที่อวิชชาอวิชชา วิชานี้เป็นเราน้องมาที่ปัจจุบันเราน้อมมาที่ปัจจุบันวิชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารกองสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งหนักหนัเข้าเป็นเหตุให้ตัณหาสวมรอยเข้ามาท่านจูดว่าอวิชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารตามหลักปฏิจรสมุตบาทเหตุเกิดขึ้นของตัณหาที่ใช้ถึงก็คืออวิชาฝ่าไม่รู้สิ่งที่จะมาลบล้างกันได้มีไหมมีตัวรู้มีอยู่ตัวสติธรรมตัวสัมปชัญญะธรรม มากำ ก, กับผู้รู้ปลกผู้รู้ขเราให้ตื่นรูอยู่โดยเหตุที่จิตของเรานั้น่ะเป็นแต่สักทว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เฉยๆแต่ถ้าขาสดสติแล้วถ้าขาสดสติแล้วตั้งหามก็สวมรอยเข้ามาแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจตั้งเจตจำนงขึ้นมาดํารงสติเอาไว้อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้อะไรเกิขึ้นเราก็รู้ร น, รรนั่งนเข้ารู้ว่าผิดรู้ว่าไม่รู้ว่าผิ ด, ร, ร, ผดรู้ว่าถูกรู้ว่าชอบรู้ว่าไม่ชอบ แต่ด้วยเหตุที่เราตัง้งอกตั้งใจตั้งใจปฏิบัตินี้เองเราพยายามตั้งสติกำหนดจดจอ่อกำกับควบคุมกับผู้รู้เราตื่นโรอยู่ความที่ิตตื่นรู้อยู่นี่แหละท่านเขาเรียกว่าวิ ช, ชาท่านเรียกว่าวิ ช, ชาวิ ช, ชาตราบใดที่วิ ช, ชาเกิดขึ้นอวิ ช, ชามก็ดับตราบใดที่อวิ ช, ชาเกิดขึ้นวิ ช, ชามก็ดับเหมือนอย่างเราตั้งใจภาวนาะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ความรู้ขอาเราตื่นรูสว่างสวยอยู่แต่สว่างแบบปัญญานะสว่างแบบปัญญาไม่ใช่สว่างแบบดวงไฟที่เราเห็นเนี่ยมันสว่างแบบปัญญาเราพิจารณาดูแล้วมันสว่างแบบปัญญาพอเวลาวิชาตื่นรูรู้อยู่ท่านพระเถียราวิชาพอพอวิชามันดับไปหมายความว่าสติสญญรรมะฌานยพระธรรมันจาง้าไปจาง้าไปจางไปใล้ายๆกขาว่า ความสว่างนั้นมันเคยครอบมือเข้ามือเข้ามือเข้ามือเข้ า, ขาตันหารกระสวมรอยภาพคืเอวิ ช, ชามักกลมแล้วมือตึ๊บความหลงมักกลุมแล้วความหลงมกครอบก ล, ม, ล, ม, ล, ม, ลมในหัวใจของเราทีไรเมื่อไร่กามาตันหาภวะตันหามันก็โผล่มาที่หัวใจของเราความยิ่งนวลเทเยอร์ทียนของใจตามอำนาจของใจที่มันเคยมีมากี่กับกี่การกี่ป وري ชาติมาแล้วเนี่ยมันก็แสดงตัวให้ปรากฏเราก็ต่อสู้กันอยู่แค่นี้แหละ ที่เราต้ อ, อกตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันนี้เราก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กันอยู่แค่นี้เองยามสงบระงับการตั้งใจสงบระงับคุมให้มันโผล่ขึ้นมาอย่างหนึ่งตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจเหตุผลเข้ามันแล้วมันจะดับไปเองหนึ่งแล้วแต่เราจะเดินสลับกันไปเราจะเดินสลับบางครั้งเราก็หลบอยู่กับความสงบ อยู่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับมันหรอกแต่ก็ต้องคมอยู่นั้นแหละคมให้มันเกิดคมเพื่อให้พุทโธมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเกิดวิชาอาวิชาก็ครอบงำเราไม่ได้โมหะครอบงำเราไม่ได้อย่าลืมว่าโมหะครอบงำเราทีไรเมื่อไหร ไ, ไหมายว่าสติเราอ่อนปัญญาเราอ่อนสมาธิเราก็อ่อนตัณหาก็แท่เข้ามาโมหะมันครอบกินกิบของเราแล้ว ตราบใดที่มีวิชารู้อยู่วิชามก็ดับไปโมหะกามมรรครูปมรรคอรูปมรรคหรือความโลภความโกรธความหลงอิจฉาที่เสียพยาบาทซึ่งเป็นกิริยาการของตัณหาเหล่านั้นมันแสดงตนให้ปรากฏไม่ได้เมื่อมันแสดงตนให้ปรากฏไม่ได้ไหมายความว่าอวิชัดับ สังขารดับหมายถึงสังขารที่ไปปรุงเพื่อเป็นเหตุให้ก่ อ, กอทุกข์กอดโทษในหัวใจของเรามันก็ดับเราพิจารณาอยู่แค่นี้เราสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ว่าโอ้ตัญหาใน ห, ในหัวใจของเราสงบนะครับดับดับได้อย่างนี้จริงเราเจริญสมถะจิตของเราแนบแน่นอยู่กับความสงบปัญหาก็ดับในขั้นของความสงบแต่มันไม่ถูก ถอนออกถอนรากถอนเง่าถอนโผลถอนอะไรออกถ้าเราพิจารณาหมายความเราสาวไปรู้มันมันรู้อะไรสาวไปอะไรสาวไปรู้มันพาเรายึดว่าโอ้กายเราโอ้เวทนาเราโอ้สัญญาสังขารวิญญาณเราสาวไปทำไมเราจึงหลงว่าเป็นเราเนี่ยเป็นเหตุให้เราต้องมาพิจารณามาแยกแยะท่านจึงใช้คาว่าพิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาแยกแยะอันนี้คือสาเหตุสงบระงับดับความทุกข์โดยตรงทางตรงตรงแนวไปสู่การชักการล้างการต่อารกันกับตัณหาอันเป็นนิสัยดื้อดึงของตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราสามารถสงบระงับดับลงไปได้ในขณะเดียวกันเราก็สร้างสติสร้างสัมปชัญญะสร้างสมาธิให้แน่นหนามันฟ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นการสร้างพลังให้กับจิตใจของเราเอง การที่เราตั้งใจปฏิบัตินั้นเราจะต้องมาต่อสู้ตรงนี้ด้วยเรียวด้วยแรงด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจตั้งใจเต็มรอตั้งใจเกินรอ้อยตั้งใจเหมือนอย่างเราทำงานทำงานพอวนไปเป็นวันๆไม่ใช่ทางานแค่นั้นทำเอาเป็นเอาตายทำทุกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทีเดียวไม่งั้นเอามันไม่อยู่จนสามารถสงบระงับได้เข้ามาสงบระงับได้ในทีนี้ ก็ยืนเดินนั่งนอนเป็นปกติธรรมดาแต่สิ่งเหลนั้นมันอ่อนแรงมันอ่อนแรงสติของเรารวดเร็วสมัญชัญญะคือปัญญาในใจของเรามันรวดเร็วเหมือนกนราเจาะอยู่ที่ปากรูของแย่เนี่ยเจาะนั่งนาข้าวเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมานะพผล่ขึ้นมาเห็นเราครับมันก็ยุบลงไปพผล่ขึ้นมาครับปกติแย้มันเข้ารูแล้วมันจะออกออกมาเหมือนเดิม ไมนเชื่อลองไปไล่แย้เข้าดูลองดูเพราะเราเดินหาซะหน่อยเขาเงียบเสียงเร า, า, รเราว่าโผล่เพ้อดูเราอีกแล้วยกตัวอย่างว่าความอยากคือปัญหาในหัวใจของเราเขาจับความอยากให้ได้พยายามหัวใจของเรามันเหมือนกับเป็นสัพท์เป็นตัวเป็นตนตอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราแท้ที่จริงก็คือจิตวิสัยความเร็วสามของมันเองที่มันสะสมมาเป็นกั บ, เ ป, กบเป็นกันเราต้องมาชะมาละ กิริยาที่เราทำทั้งหมดนี้มันเป็นกิริยาที่มาชัมาล้างมาดัดจริตดัดนิสัยของเราหักห้ามสิ่งที่ทำให้จิตของเราริ้นรนสยดยานอยู่ในเนื้อมือของเราที่เรเรียกว่าตันหาตันหาต่อสู้กันอยู่แค่นี้ต่อสู้กันอยู่ตรงนี้แหละนี่ทั้งหมดนี้เป็นการเจริญสมถังและมันเป็นการเจริญพิพิสนาสลับกันไป ช่วงไหนระยะไหนเราจนสมถะเราพยายามเจริญให้หนักเจริญให้มากยืมทําให้เกิดสมถะก็ได้เดินนั่งนั่งภาวนาเนี่ยทำให้เกิดสมถะก็ได้สมถะคือความสงบใจสงบก็คือตัณหาสงบใจไม่สงบก็คือตัณหามันแทรกในหัวใจของเรามันไม่สงบมันไม่สงบเพราะตัณหามันไปแทรกเดี๋ยวมันดึงไปเรื่องโรคเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องราคะเรื่องตัณหามันดึงไปสารพัด ดึงไปเรื่องอาฆาตพยาบาทเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเคียดแค้นชิงชังอะไรขึ้นมาสรารพัดที่มันจะมาคอยใส่ฟืนใส่ไฟให้กับเราอุนของเก่าอะไรนะไม่จุดใหม่ขึ้นมาอีกอุนของเก่าจุดใหม่ขึ้นมาอีกสิ่งที่เป็นกิริยา ต, ตอบโตอ้อยู่ในขณนนั้นตอนนั้ น, นนะคือทุกทุกห่วงไ ย, ยทุกวิตกทุกกังวลทุกเดือนนาน ทุกดิ้นเรา่าที่ท่นเรียก ว, ว่าเร่าร้อนเร่าร้อนวุ่นวายโกรนกวายเครียดวุ่นวายในหัวใจของเราเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาต่อสู้กันอยู่นั้นแหละอเราทําเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นอ่อนแรงลงไปแท้ที่จริงก็คื อ, คอในิสัยความใจของเราเองไม่ใช่มีสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนตแทรกเข้ามาเพราะมันไม่มีใครเอาตันหามาฉาบมาทานในหัวใจของเราให้กับเรา แล้วก็เกิดขึ้นมาอันไหนเกิดก่อนเราก็ไม่รู้เลยปัญนะหากิเลสปัญหากับผู้รู้ของเราอันไหนเกิดก่อนไห น, นเกิดหลังเราก็ไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งไวท้ที่ความโง่ของเราความไม่ฉลาดของเราที่จะเรียกวิชาวิช า, า, ชาในขณะปัจจุบันเรามาลองดูที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธในขณะที่พุโทโธตื่นรอยู่นั้นจิตของเราเป็นวิชาครอบครอง แต่ถ้าหาเราปล่อยให้สติของเราจางลงไปอวิชชามก็ครอบพุทโธหายไปแล้วอ่าพุทโธหายไปเพราะอะไรเพราะตัณหามันแทรเข้ามาจิตไม่สงบอยู่แล้วดึงไปดึงไปดึงไปโอกาสที่เราจะตื่นรู้เนะื้อรู้ตัวทันมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนอบรมอย่างอย่างช่ำชอง ม, มาอ๋อแป๊บมาแล้วเอาละแป๊บแป๊บทันอ่าทันนั้วม็อยู่แปบ๊บแป๊บทันแล้ก็อยู่แวบ๊บแว๊บทันแล้ก็อยู่หมายความว่าสามารถสงบระงับได้ แต่ถ้ า, ากำลังเราไม่พอแม้ยืดโอ้ปรุงแต่งเป็นตุกเป็นตะเสร็จสิ้นเรื่องราวอะไรทั้งหมดกว่าจะรู้สึกเนื้อสึกเถี๋มันเอาวิกินจนเต็มอิ่มแปรหมดแล้วนานปัญหามันปรุงตามเส้นสายของมันไปจนจ บ, รบนก ร, กร ะ, ก ะ, รกะรบวนการของมันโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายนั่นแ่ะกระบวนการของมันกระบวนการของมันมาจะมาจนถึงอุปายยากเหี่ยวแหง้งระทมตรอมทุกทรมันหัวใจเมของเรา แท้ที่จรงมัก็เกิดขึ้นจากการที่เรากระเพิ่มจิตของเราไปตามอำนาจของตัณหาที่มันแย่จิตมันร้ายกระเพื่อมอย่างนั้นไม่จบไม่สิ้น ท, ท่านจึงให้เราจเจริญสัมผัสสลับกับวิปัสนาวิปัสนาคือการพิจารณาเพราะฉะนั้นหลักพิจารณาพิจารณกายก็ตามพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบทใดบุหนึ่งก็ต า, ตามก่อนที่เราจะพิจารณาเราจะต้องรู้จักเก่อนอะไรคือกายอะไรอะไรคือเวทนา อะไรคือสัญญาอะไรคือสังขารอะไรคือวิญญาณกายก็เป็นเครื่องมือของผู้รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริงเป็นเครื่องมือของผู้รู้ขันทั้งห้าของเรานี่เป็นเครื่องมือของผู้รู้ที่ผู้รู้เอาออกมาให้ปรากฏแสดงตนให้ปรากฏในโลกนี้ ทำให้เรามีกายมีตาไปเห็นมีตาก็ไปเห็นรูปมีหูรูปไปหินเป็นช่องเป็นทวารของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างทำความเกิดขึ้นทงความรู้สึกเพื่อตัวนี้รูปนี้รักษาตัวได้แต่มีใจเป็นผู้ครอบครองออกมาทางตาไปไปเห็นรูปออกมาทั้งหูทางจมูกทางเลี้ทางกายกายก็คือไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องแต่ละกิรยิยาการมันมีฤทธิ์มีเหลือที่จะผูกเราให้ติด เี่ยวข้องกับตัญหาราคาทั้งนั้นแท้ที่จริงกายไม่ใช่ผู้รู้เวทนาสัญญาสังขานวิญญาณไม่ใช่ผู้รู้เป็นอาการของผู้รู้เป็นอาการของผู้รู้เหมือนอย่างไฟกับอาการของไฟอย่างความสว่างที่เราเห็นอยู่นี้นี่คืออาการของไฟตัวไฟแท้ถ้าไฟแท้ลักษณะของมันมีความร้อนมีความร้อน มันทำให้เกิดความร้อนแล้วมันทําให้เกิดแสงสว่างแสงสว่างก็คืออาการของมันไม่ใช่ตัวไฟตัวไฟแท้ๆเราต้องเอามือของเราไปสัมผัสเราถึงจะรู้ได้มันร้อนเมานั่นตัวไฟสมมุติอย่างเราเห็นเปลวเทียนเนี่ยเราจุดเทียนเอาไว้เทียนมีเปลวเปลวสีแดงแดงสีเหลืองเหลงเนี่ยสีแดงแดงสีเหลืองเหลืองสีแดงแก่สีแดงอ่อนสีเหลืองแก่สีเหลืองอ่อน มันเป็นสีให้เราเห็นอันนี้เป็นกิริยาการเพรมาันไม่ใช่ไฟไฟแท้เรารู้ไม่ได้เรารู้ต่อเมื่อเราเอามือของเราไปเย่่์ลองไปแหย่ดูนะจุดเถียนลองมไปแยย์ดูเมา่นั่นแหละนั่นแหละตัวไฟตัวนั้นแหละอืก็ให้เราไม่ใช่ผู้รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ผู้รู้เป็นกิริยาการของผู้รู้เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อนับสีเทกที่เป็นกิริยาอาการ ของผู้รู้จนเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวจีเรนมันพาให้เรายึดเพราะมีกายก็ยึดกายมีเวทนาสัญญาสังขารนิยมันก็พายึดยึดแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างยึดมาแล้วปัญหามันพายึดมันยึดปับ๊บเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดโสกปริเทวัตุขตทมนาาัสจบกระบวนการของมัน ทเกิดขึ้นแต่ละรอบแต่ะละรอบแต่ะละรอบแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขนะมันมีมาเป็นเส้นเป็นสายอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยในภายในที่เราทำความรู้รอบขอบชิดในในจิตของเรารู้ได้นะกลอมกลาวได้ย้อนไปดูได้ขัดได้กล่าวได้ย้อนหน้าย้อนหลังได้ดูว่าอะไรเป็นตัวอยา่างแสดงให้ปรากฏหัวใจของเรามันจะเป็นเหตุให้เรา มีสติเพิ่มมีสัมผัสจริเพิ่มมีปัญญาเพิ่ม ม, ม, มีความรอบรู้เพิ่มรู้ที่ไปที่มาของรูปธรรมของเรารู้ที่ไปที่มาของนามธรรมาของเรารู้ข้อแท็จจริงของนามธรรมาของเราแท้จริงรูปธรรมกับนามธรรมานี่เป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์ฮาเกิดขึ้นมาจากอำนาจของตัณหาคือผลิผลจากผู้รู้ตัณหานั้นนะ่ะตัณหาคือความอยากความอยากของอะไร ความอยากของผู้รู้ผู้รู้ของเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ผู้รู้คือจิตจิตคือธาตรู้คือมโนธาตุคือวิญญาณธาตุศัพท์ว่ารู้มีความรู้รู้อย่างหนึ่งรู้ว่าสุขรู้อย่างหนึ่งรู้ว่าทุกข์แต่รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์แต่ด้วยอานาจความติดใจความคอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ยือดอยู่อย่างนั้นยืดอะไรก็คือตัณหาคือฝ่าฐานฐาน เราไดอุปาทานได้พบได้ชาติปรไปอบัตตามพบที่เราควรจะไปเกิดตามพบนั้นๆที่เรามีพฤติกรรมยากละเอียดเลวระนีดบรรจงขนาดไหนก็ตามเราก็จะไปได้ตามพบตามภูมิตามคุณสมบัติที่เราผูกพันอบรมได้อย่างนั้นเรามาพิจารณาอยู่ตรงนี้เราจะรู้ที่ไปที่มาของกายเพราะฉะนั้น ในเมเรากำลังจะเจาะสติสัมปชัญญะพร้อมตัณหาไม่โผล่ขึ้นมาไม่ปรากฏขึ้นมาท่านที่ให้เรามาพิจารณาแยกแยะแยกแยะรูปธรรมซึ่งเป็นของหยาบยากรูปธรรมประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอ๋ออันนี้เป็นส่วนดินอ๋ออันนี้เป็นส่วนเวทนาอ๋ออันนี้เป็นส่วนน้ำอันนี้เป็นส่วนลมอันนี้เป็นส่วนไฟท่านให้พิจารณาว่าโอ้ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟไม่ใช่เรา เพราะถ้าเรามันโผลขึ้นมาที่ไรเมื่อไรอัตตาจตนตันหามก็โผล่ขึ้นมาตัหาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรความถือเนื้อถือตัวมันก็ตามมาความถือเนื้อถือตัวตามมาความดีกว่ามันก็มีมาความเลวกว่ามันก็มีมาความฉลาดกว่าความงอกกว่าความรวยกว่าความจนกว่าความมีเกียริความมีศักดิ์ศรีกว่ามันก็ตามมาความมีกําลังมากกว่า ความกลัวได้เปรียบกลัวเสียเปรียบกลัวอะไรสารพัดมันตามมาทําให้เรายื้อแย่งกันอยู่บนโลกใบนี้สิ่งเหล่านี้มันตามมาเพราะมันมีสิ่งเหล่านี้แทรกเข้ามาสิ่งเนี้แตตทกเข้ามาเชไรมันอัดตาตัวตนมันโผขึ้นมาอัตตาตัวตนมันโผขึ้นมาเราพยายามดูให้ออกที่มันโผลขึ้นมาในหัว ใ, ใจของเราอ๋อความสําคัญมัน่นหมายมันยึดถือว่าเป็นตนเป็นของของตอนอยู่อย่างนี้ทําความรู้จ่อเข้าไปตรง น, นั้นตัวนั้ำมันจะละลายไป ตัวนั้นมันจะละลายเข้าไปคือขณะกร น, นั้นผู้รู้เราจางสิ่งเหลานี้แทะเข้ามาได้เราพยายามตั้งเจตจํานงจาะเข้าไปตีเข้าไปด้วยสติด้วยสามชัญญะชั้นหนึ่งหนึ่งสิ่งเหล่านั้นกับละลายจางไปอย่าลืมว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของเรานะอารมณ์ใหม่มันจะเกิดขึ้นอยู่ทุกทุกรยะยะเกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นปัจจุบันซะหน่อยกับเป็นอดีตไปแล้ว ฉะนัน้น อ, อารมณ์ที่ปัจจุบันก็โผล่ขึ้นมานกล้ายเป็นอดีตผ่านไปแล้วแล้วก็อนาคตมันก็จะเริ่มปรุงขึ้นมากลายเป็นปัจจุบันในขณะนั้นล่วงอดีตไปแล้วโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอารมณ์ใหม่มันจะต้องมาทับอารมณ์เก่าอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆตราบได้ที่อวิชชาโผล่ขึ้นมาครับสร้างเจล็ดจำลองให้ตื่นรูมีพลังมากกว่าอาวิชชามันแทกมาเพราะว่าพลังกิตธรรมมันออน ในเมื่อมันตื่นโกรกขึ้นมานะอันั้อนั้นปัจจายหายไปตื่นโกรกขึ้นมานะอนั้นปัจจัยจาหายไปต่อสู้ขัดเกลากันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญสมถะเจริญสมถะมีกําลังก็ต่อวิปัสสนาพิจารณาทางหน้าปัญญาต่อวิปัสสนาทางหน้าปัญญาแล้วเจริญสมถะสลับเปลี่ยนกันอยู่นี้แหละเพื่อทําให้เกิดความฉลาดทำให้เกิดความรอบรู้รอบรู้อะไรรอบรู้กองสังขารกายของเรา รอบรู้ควาสังขานเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณของเราลักษณะของการเจริญนั้นท่านจึงสรุปมาที่ตามพิจารณากายตามพิจารณาเวทนาตามพิจรารณาจิตตามพิจรารณาธรรมสรุปลงในหลักมหาสีประฐานกายเวทนาจิตธรรมมันจะเจริญบมดไหนก็ตามเราเอาใจดวงเดียวนี่นแหะเจริญมันทะลุถึงกันหมด จะกำหนดย้อนมารู้จิตเป็นการเป็นคราวมันก็นเท่ากับว่ามารู้เรื่องกายรู้เรื่องเวทนาแล้วก็รู้เรื่องจิตย้อนไปดูเวทนาก็เอาจิตย้อนไปดูก็ทำให้เรารู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตในนั้นในขณะเดียวกันมันก็เป็นบทธรรมอยู่ในตัวจะตามพิจารณากายก็เอาจิตพวกนี้ไปพิจารณากายเนี่ยเราจะเจริญบทไหนบาทไหนตามจิตวิสัยที่เราจะถนัด มันถึงกันหมดไม่ใช่พิจารณานั้นหรือเหลืออนนี้พิจารณานี้แล้วเหลือนั้นพิจารณานั้นแล้วเหลือนั้นมันจะทะลุโ ป, ปร่งถึงกันหมดเพราะจิตเราเรามีผู้รู้หนึ่งเดียวเราไม่เรียกกิริยาอาการเหมือนอย่างอภิธรรมอภิธรรมท่านเรียกกิริยาอาการของจิตจิตท่านั้นดวงจิตท่านนั้นดวงนั้ น, ค, น, น, นคือกิริยาอาการของผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้เรารู้ ผู้รู้ที่เป็นกิริยาอาการเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นอย่างเราดูแล้วเราดูออกไหมสัญญาที่เป็นหลักธรรมชาติที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือโดยหลักธรรมชาติที่มันมีมาพร้อมกับขันทั้งห้าของเรามีไหมเรามากำหมดเจี๊ยบๆดูเวทนามีไหมสัญญามีไหมสังขารปรุงยับยับยับทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีไหมมีวิญญาณปรุงยับดับยับดับยับดับมีไหมมี แต่ถ้าหากตัณหาไม่แทรกสิ่งอหลนี้สักจว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือโดยหลักธรรมชาติแต่ถ้าหากตัณหามันจะแทรกมันเป็จะแทรกมาที่กายที่เวทนาแทรกมาที่จิตจิตก็หมายถึงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเรื่องของจิตเราย้อนมาที่จิตแล้วจะเห็นฉันสัญญาย้อนมาที่จิตแล้วจะเห็นสังขารย้อนมาที่จิตแล้วเราจะเห็นวิญญาณ นม่อะไรก็ตามแต่ขอให้เรารู้อยู่กับจริงเหล่า น, นั้นตัญหาแสดงตัวไม่ได้แสดงตัวออกมาไม่ได้ตันหามันจะเริ่มอ่ อ, อนแรงเข้าไปเรื่อยอ่อนแรงเข้าไปเรื่อยถ้าเราเข้าใจเรื่องกายจนสามารถทําความเข้าใจ <c oughs> เห็นเจียมแจ้งว่ากาย uy, สักตวากายกายสักตวกายไม่ใช่เราไม่กายไม่ใช่กายของเราเราไม่มีในกายกายไม่มีในเราเราไม่เป็นกายกายไม่เป็นเรา ไม่เป็นรางวิงหรือลองลองย้อนมาดูเวลามันขื่นร้อยู่มันก็สัจธรรมรู้เท่านั้นเองอ่าเป็นสัจธว่าเป็นดินเป็นน้ำสัจธรรมเป็นลมสัตธว่าเป็นไฟแยกแยะอย่างที่พระพุทธเจ้าแต่ว่าตัณหามันสวมรอยมาในแง่ของอัตตาตัณหาโผล่ขึ้นมาพับอัตตาเขาโผล่ขึ้นมาว่าเป็นตัวเป็นตนความเป็นก้อนเป็นแท่งอย่างหนึ่ง ทำให้เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนท่านยิ่งให้เราพิจารัยแยกแยะเพื่อทําลายความเป็นก้อนเป็นแท่งที่อย่างรูปพันธสันทานเนี่ยดูมาไม่ให้มันเห็นเป็นรูปพันธสันทานเป็นหัวเป็นลําตัวเป็นแขนเป็นขาเนี่ยดูให้เห็นเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังแย่เป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนไปกองว่าแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองท่านให้แยกแยกท่านให้วิภาควิภาคก็คือจำจำแนก แยกแยกม่ให้มันเป็นก้อนไม่ให้มันเป็นแท่งเพราะความเป็นก้อนความเป็นแท่งมันทําให้เกิดสัญญาที่สําคัญว่าเป็นก้อนเป็นแท่งที่จะเรียกว่าคณะสัญญาคณะสัญญาคอระคังนอหนูคณะคณะแปลว่าก้อนสําคัญว่าเป็นก้อนสําคัญว่าเป็นแท่งทําคัญเฉยเฉยถือเอาเฉยเฉยพุทธเจ้าท่านจพงให้เรามาแยกแยะเป็นท่าน้ําเนี่ยน้ําดีน้ํา ทะน้ำเหลืองน้ำเลือดหลอดไปจนถึงน้ำมูดมาน่อเป็นน้ำโอ้เป็นลมลมหายใจเข้าหายใจออกโอ้เป็นไฟความร้อนความอบอุ่นดูเห็นจักเท่ากับเป็นธรรมชาติเหล่านั้นจริงๆทําลายความยึดถือว่าเป็นราวได้จนสามารถทําความรู้เกิดปัญญายาเห็นเตี่ยมแจ้งในเรื่องเหล่านี้ได้ที่เเียก ว, ว่าละสกายอาทิติละส ก, กายอาทติมีความสําคัญว่าเป็นกายได้ ละความเห็นว่าเป็นเป็นเราว่าเป็นของของเราอืแต่ว่าคําว่าอัตตามันพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าเร า, ายังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านจึงให้พิจารณาละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยพิจารณาละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยเราพิจารณาอะไรก็ทั่วถึงกันหมดพิจารณารูปมันก็กรเทือนไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเ พ, พราะตัวน <ial> ี้มันอยู่ที่ใจใจมันเป็นสิ่งเล่นี้มันเป็นกิริยาอาการของใจทํางานแป๊บเดียวพร้อมกันหมดทั้งห้าอย่าง เมื่อเรากรรมกำปั้นของเรามันเป็นกำปั้นหนึ่งเดียวถ้าเราไปแยกอ๋อมีมีหนิ้วสนิ้วสานิ้วสี่นิ้วห้านิ้วแต่ถ้าเราไม่แยกมันก็เป็นกำปั้นอยู่นั้นแหละขันทั้งห้าของเราถ้าหากเราไม่แยกมันก็รวมกลุ่มกันอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราแยกภาพผอ น, นี้เป็นนี่ น, นี้เป็นนี่นี้เป็นนี่นี้เป็นนี่รวมไปแล้วก็เป็นรูปธรรมกับเป็นนามธรรมมันทํางานถึงกันหมดทะลุทั่วถึงกันหมดทันให้ทาลายความเป็นก้อนเป็นแท่ง อันนี้หมายความว่าเราตามพิจารณาหาเหตุหาผลหาปัจจัยเพราะปัญหามันพาเราหลงหลงยึดว่าเป็นกายเราเก้าเจิงหรือโอ้อันนี้เป็นผมอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นเล็บอันนี้เป็นฟันดูให้เห็นเป็นสภาพธรรมชาติคือสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างจนชินจนเข้าใจจนช่ำชองในหัวใจทําลายความรู้สึกความเป็นก้อนเป็นแท่งความเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขั้นระดับกายที่จะเรียกว่า ส ก, กายทิฏฐิส ก, กายทิฏฐิจนสมัครละทิฏฐิความเห็นอันนั้นได้ทิฏฐิตัวนั้นละลายหายไปเหลือแต่สัจจ์ความจริงเหลือแต่สัจจ์ความจริงขั้นหนึ่งระดับนึ่อันนี้เป็นประตูแรกที่เราพยายามจะทะลุทะลวงเข้าไปพยายามจะทะลุทะลวงเข้าไปด้วยหลักของสมถะด้วยหลักของวิปัฏนาอันนี้เราไม่พูดถึงว่าบางคนมีมีรูปปณิมิตอย่างนั้นอย่างนี้ล้เคลือ เรากระเพล่อไปบางคนมีนิสัยออกรู้ออกเห็นก็เปลี่ยนได้แต่อย่าลืมหลักของการกระจายความเป็นก้อนความเป็นแท่งเพียงแต่ทาความรู้สึกเท่าทันกิริอาการเหล่านั้นมันก็ดับทำความรู้สึกชัดเจนเท่าทันอาการกิริอาการเหล่านั้ น, นก็ดับแต่ถ้ า, าจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นก็จะเกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งตามจิตตามนิสัยของเรา ลองตามไปดูจะเป็นเหตุเสียหายเราพยายามเจาะไปที่โพรู้หนึ่งเดี่ยมก็ดับดูไปที่ความเปลี่ยนแปลงเขาก็ดับขยับปั๊บรู้ปั๊บดับขยับปั๊บรู้ปั๊บดับขยับรู้ปั๊บดับขยับรู้ปั๊บดับขยับรูปปั๊บดับเกิดไม่ได้พิจารณาตามตามอยู่อย่างนี้แหละพิจารณาตามต่อยกันอยู่อย่างนี้แหละไม่จบในชิ้นเพื่อเป็นการชัเป็นการล้างเป็นการกวาดล้างทําลายล้างขัดเกลา อันที่มันเศร้าไอ้ที่มันมองอยู่ในหัวใจของเราให้มันใสให้มันให้มันบริสุทธิ์เหลือแต่หลักจัตเจธรรมคือความเปลี่ยนแปลงก็เหมันไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมสักอย่างเลยเราดูไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนแปลงหนังข้าเราก็มาดูความเปลี่ยนแปลงอ๋อตั้งอยู่ไม่ได้อ๋เปลี่ย si um e> นไปตั้งอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งอนิจจังทั้งทุกขังนั่นเราไปทําให้สมใจเราตามใจเราอยากของเราได้ไหมไม่ได้สักอย่าง ปุตตะท่านจึงทรงตรัสกิริยาการเหล่านี้ว่านี่แหละคืออนัตตาอนัตตาความไม่ใช่ตัวความไม่ใช่ตนในเมื่อเราเอาอัตตาออกแล้วความสําคัญมั่นหมายเหล่านี้จะตั้งอยู่กับอะไรไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งหรือจะว่าความว่างว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่างเปล่าเหมือนเรามองไม่เห็นอะไรเรามองไม่เห็นอะไรแต่มันเกิดความรู้สึกอยู่รู้สึกที่กายรู้สึกที่เวทนารู้สึกที่คิดมันเกิดความรู้สึกอยู่ ว่างจากตัวตนว่างจากความสําคัญมั่นหมายยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนความว่างตรงนี้แหละเป็นความว่างที่เราตามต้อยลงไปจนไม่มีคำว่าอัตตาตัวตนถ้ามีอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาสมุทัยมันก็เกาะทุกข์ทั้งหลายมันก็เกาะสังขารก็เกาะตราบใดที่มีสังขารเกาะรูปรูปธรรมรูปนามธรรมมันก็เกาะรูปธรรมนามธรรมมันก็เกาะ ม, าามีอายุตนะภายในมีอายตนะหภายนอกมันก็เกาะตันหามันเกาะเป็นระลอกระลอรอกมันทำงานชึกเดียวถึงกันหมดเรื่องของตันหาแต่ตัวสติมาตั้งโรปุ๊บเดียวถึงกันหมดทลุ ก, กันหมดทลุทั่วถึงกันหมด <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นงานเราไม่จริงเป็นงานของจิตเป็นงานซักซ้อมที่จิตเป็นงานฝึกฝนที่จิตชำนาญที่จิตคล่องแคล่วที่จิตอืม แก้ไขความทุกข์ในหัวใจของเราทะลุโปรงที่จิตสว่างสวยที่จิตรู้จักที่เกิดของทุกข์รู้จักที่เกิดของตัณหาตัณหาเกิดคือทุกข์เกิดตัณหาดับก็คือทุกข์ดับตัณหาเกิดคือสังขารเกิดกองทุกข์ทั้งหลายโดยลำดับขั้นเกิดโดยลาดับตัณหาเกิดคือขันห้าเกิดตัณหาดับก็คือขันห้าดับพอตัณหามันเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็ยึดขันห้า พอเรากําหนดจด จ, จอด้วยภูมิปัญญาของเราปั๊บสักแต่ว่าขัานห้าไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นไม่ได้ยึดว่าขัานห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขัานห้ามันก็ละลายไปความทุกข์อยู่ในหัวใจของเรามันก็ละลายไปสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพุทธเจ้าท่านรู้แล้วก็ปล่อยละวางได้ขันทั้งห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักตวารู้สักทวรู้สักตว่อาศัยสักทว่าสติสัมปชัญญะระลึกผู้ที่พระสติพระปัญญาความสามารถที่พระองค์ทรงสร้างมาด้วยบุญญาบารมีของพระองค์นั่นแหละคือเรี่ยวแรงชะล้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามาใช้มาพิจารณาปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญา สมาธิปัญญาวิริยะคันติอะไรทั้งหลายทั้งปวงอหลนี้เป็นเครื่องหมยเครื่องมือเวลาเราทำงานต ล, อล่อมลลอมรวมมาลงมาเป็นหนึ่งเดียวสิ่งวันนี้จะตล่อมล้อมรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดเราจะแยกเป็นอะไรเป็นอนั้นทั้งหมดเพราะธรรมะในหัวใจของเราเวลามันเกิดพร้อมกันจะเป็นจะว่าจะเป็นสมาธิก็ใช่สิลอยู่ในนั้นสมาธิก็อยู่ในนั้ น, นปัญญาก็อ ย, อยู่ในนั้น ตล้ล่ำหอมที่เรียกว่าอริยมรรคหนองเปลอริยมรรคหนองแปลมรรคสมังคีมรรคสมังคีสมังคีที่ไหนสมังคีที่ใจอะระบใดที่มีมีปัญญามีมกําลังเพียงพอรู้จักปกป้องคุ้มครองให้กับใจของตัวเองวางตื่นรูรู้ไม่ถูกตัญญาตันหายแย่งเข้าไปใช้ไม่ทําให้ตันหายแย่งเข้าไปใช้จิตของเราก็สงบสงบจากตันหาจิตสงบ อาศัยความสงบที่เราภาวนาให้ใจสงบนี่แหละจะริ้วว่าใจสงบกันหาสงบใจไม่สงบเพราะตันหามันไม่สงบตันหามันมีกําลังมันมีเรี่ยวแรงตันหาหัวใจของเรามันสะสมมาทีกับทีกันตีกุเรชาติมาแล้วเกิดพระอํานาจตันหาตันหาจอยเป็นจอมของวัฏจักรกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากตราบใดที่เรายังไม่ถึงโลโลกุตรธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง จิตของเรายังหมุนวนอยู่ในโลกียธรรมทั้งนั้นกิเลสกรรมิบากกิเลสกรรมิบากอยู่นั้นแต่ในหัวใจของคนนั้นน่ะมีธรรมอยู่ในนั้นกิเลสเกิดบ้างธรรมเกิดบ้างสับสนกันอยู่นั้นแหละเกิดโดยธรรมชาติของของกุศลในใจบ้างเกิดโดยการคิดปรุงบ้างเกิดด้วยอกุศลในใจบ้างเกิดด้วยการคิดปรุงบ้างนี่ความเป็นไปของจิตของเรา การที่เราสามารถมาหมุนมาผันมาแปรอยู่ตรงนี้ทําให้เราได้อัดได้ทําได้สติได้ปัญญาเข้าถึงความประเสริฐเข้าถึงความเลิศเข้าถึงความประเสริฐเข้าถึงความ้นทุกข์อันนี้แหละคือความ้นทุกข์ที่เราควรแสวงหาแต่ความเป็นไปในวัฏสงสารนั้นเป็นเหตุว่าเราจะต้องมีสบียังตราบใดที่เรายังตัดรากเงอกวิชาตันหาเหล่านี้ยังไม่ได้เราจะต้องมีพบมีชาติทานเลยเปิดัจเป็นปันจจัยสําคัญ ทำให้เราทาเป็นทาเป็นสบียงให้กับเราในการเดินทางได้เป็นอย่างดีเป็นล่อเลื่นในการหมุนไปในวัฏสงสารมันไม่ทำให้เราติดขัดคนที่ไม่มีบุญจากการให้ทานก็เหมือนกับล้อหรือเวียนที่มันไม่มีล่อเลื่นเทียบ้ช้ก็ติดเขียบขวาก็ติด<ช>เดินหน้าก็ติดเดินหลังก็ติดเทียบ้ายก็ติดเขียบขวาก็ติด ยืนอยู่กับที่กระเร่าร้อนอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอุ่นช่วยหล่อหรือยังหล่อลื่นเมื่อเราเดินทางเราไม่มีเสบียงหิวหิวหิวอยู่นั่นแหละทุกยากลําบากอยู่นั่นแหละทํามหากินไม่ได้ไม่พอนักหนักข้าวยิงไปทําไปพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยแล้วนตกไปอาบายโอ้ไปเป็นเปรตไปเป็นสารรบไปเป็นอาสุรกายฟังได้ว่าเปรตรู ปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มเรามาดูในเงีเหตุผลว่าไอ้ปากเท่ารูเข็มกินยังไงไอท้องเท่าภูเขากินยังไงมันจะเต็มไม่เต็มมันมีแต่หิวหิวหิวหิวอะไรก็มันเคยสมอยากหิวอะไรมันเคยสมอยากหัวใจของเปรตเป็นอย่างนั้นความไม่รู้จักกินความไม่รู้จักกออันนี้เป็นได้ทุกหัวใจไม่ว่าจะคนทุกคนยากคนจนคนร่ำคนรวยคนเศรษฐีมหาเศรษฐีแตยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ ยังมีหัวใจความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยู่นี่แหละคือหัวใจของความเป็นเปรตนะคุนชื่อว่าอบายอบายหาความริดเห็นกับหัวใจของเราไม่ได้อย่างดีที่สุดมาเป็นสเดรชานเกิดร่วมกันกันกบมนุษย์เราเป็นช้างม้าวัวควายเป็นสุนัขเป็นแมวเนี้ยยังอยู่ใกล้ชิดคนยังพอจะได้เห็นเรือนร่างอันประเสริฐของมนุษย์ของเรา ยังพอจะได้เห็นบ้างเป็นเปรต hmm. เป็นสนารกนรกลึกๆอยู่ด้วยการทรมานอยู่ด้วยการรับบรับกรรมที่เราทำไปทุกทรมานอย่างนั้นเละเหมือนอย่างที่ท่านเล่าถึงพระเทวท่านอะไปตกอวกีอเวีกีถูกตรึงอยู่นั้นแหละแขนสองข้างถูกตรึงอยู่เหมือนกับถูกเทปูนทักเอาไว้สองข้างฝ่ามือเป็นเหล็กตรึงไว้สองข้างฝ่ามือเนี่ย เล็ทเท่าลำกาแทงหน้าอกทะลุหลังนั่นจากนั้นเราเปรวไฟทั้งสีสสสส่ทิศเนี่ยพุ่งเปรวไฟมเย็นที่ไหนเปรวไฟร้อนยิ่งกว่าไฟที่เราเผาฟืนอยู่ทุกวนันนี้เปรวไฟในอเวทีมฮานกากเผาอยู่อย่างนั้นโอ้แจบร้อนอ ย, อย่างนั้นแหละทรมานให้ใจให้สะสมกับใจที่ใจมันเรวซามเรียวสามขั้นไหนเรีวซามขั้น ทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำโลหิตตุมบาตรทำสังฆเพศเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นกรรมอนันตริยกรรมอนันเขาว่าอนันตริยกรรมหมายว่าต้องตกเวจีมารรกไม่สามารถไปเกิดในมนรกคขุมอื่นได้ไม่มี น, นรกคขุมไหนมาขั้นได้ในประวัติก็มีอาชาติศัตรูนี่แหละเพราะอาชาตศัตรูท่านถือว่าท่านเกิดในการสมบัติแต่ท่านพลากโอกาส ตอนช่วงต้นๆนะท่านพลาดโอกาสท่า น, นไปหลงเชื่อกับพระเทวทัตเลยไปทอนาอนันตริยกรรมฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นบิดาซะเป็นอนันตริยกรรมแต่ด้วยเหตุที่ท่านมาเลึกได้ตอนหลังขอก็มาลาโทษขออะไรต่ออะไรแล้วก็มาทําความดีกับพระพุทธเจ้ า, าแล้วก็ต่อมาหลังจากพระพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วล่วงไปแล้วสมเดือนเป็นผู้ประทับวัฏฐาในการทําสังขารนาถื อ, อว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ทำความยิ่งใหญในการรักษาพระธรรมเวรไนของพระพุทธเจ้าจึงทำใหท้ทำให้ท่านไม่ตกอเวจีมานรกมาตกแค่โลหะปุ่มผีมีรายเดียวที่เราพอจะมองเห็นมีกรรมอนิมาขั้นเพราะอยู่ในอยู่ในกา ร, รสมบัติที่สามารถจะไปทําอย่างนั้นาสามารถสงบระงับดับกรรมอันต่ําช้าอเวจีมานรกได้มาตกนรกแค่หมออ้อทองแดงโลหกปุ่มผี นอกนั้นไม่มีพลานเละที่เรียกว่าอนันต์อนันต์ธรยกรรมอนไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหว่างอนันตรยกรรมอนันตธิรยกรรมข้าพ่อข้าแม่ข้าพ่อข้าแม่เท่ากับข้าตนเองเลยเหมือนพระโมกคลานะอดีตทิจ่าท่านข้าแม่ของท่านข้าศิวัลลานางไยข้าแม่แค่ห้านาทีก็ตายแล้วแต่ทําไมท่านเกิดตั้งห้ารอยชาติเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกข่า เพราะฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่ากับค่า ต, ตัวเองตัวเองมาจากไหนมาจากพ่อมาจากแม่เราได้เลือดได้เนื้อได้โครงสร้างมาจากพ่อมาจากแม่เราค่าพ่อฆ่าแม่ก็เท่ากับเราค่าตัวเองเรามาพิจารณาในแง่ของเหตุของผลแล้ว<_><_>ท่านเรีว่านานเทวกรรมนานเทยกรรมพระพุทธเจ้าท่านมีคนที่ยิ่งใหญ่พระอารหันต์มีคนที่ยิ่งใหญ่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่เป็นเวนไม่เป็นภัยกับใครเท่านั้น เราไปฆ่าคนประเภทนี้แบบนี้ก็อันันติยกรรมเช่นเดียวกันทำสงให้แตกกันทำสงให้แตกแตกกันทำความชิบหายให้เกิดในในหมู่สงในหมู่คณะที่ทจินดาว่าทำสังฆเภทท ำ, ทำสังฆเภทเหมือนอย่างที่ประเทวทัฒนธรรมเนี่ยเหมือนอย่างที่ปร ะ, ประเทวทัฒน์แยกสำนักทำสงให้แตกกันทำโรหิตุบาลอันนี้กับประเทวทัฒอีก ทำโลหิตของพระพุทเจ้าให้ห่อหอเป็นช้าเลือดช้ำหนองนั่นแหะที่ประวัติทาโลหิตตุกบาทําโลหิตของพระพุทธทําทําโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ตกให้ตกให้ตกให้ห้อทําโลหิตตุบาทําโลหิตให้ห่อเป็นอนันติกรรมเป็นบาปอันนี้เป็นกรรมที่ลึกเข้าไป เรามาพูดถึงกรรมพื้นๆจากพฤติกรรมที่เรากดไม่เราทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทิ้งสินที่ทําไม่ได้เราที่เป็นจะศีลเราที่เบญจะทําไม่ได้เบนเจศีลนี่คือไม่ฆ่าสา์ด้วยแล้วก็มีเมตตาด้วยเป็นเบนเจธรรมข้ อ, ข, อข้อที่หนึ่งไม่ลักทรัพย์ด้วยและสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีว ะ, มมาาวะเลี้ยงชีวิตชอบไม่ไปรักไปจี้ไปปล้นไปโกงเอาของใครสัมมาาชีวะข้อสามก็คือ ไม่ประพฤติผิดในกาไม่ผิดลูกเขาผัวเขามีเขานี่แล้วก็มีความสันโดษอยู่ในคู่ครองของตัวเองเป็ น, เ ป, นเป็นจะเป็นเป็นจะทำข้อสามเป็นจะทําข้อสี่ก็คือสัมมาวาจามีวาจาชอบพูดจ่าสั่งซื้อมีสัจจะมีสัจจะเป็นเป็นคู่ปรับกับอเป็นคู่ปรับกับพูดเท็จ พูดอย่าพูดส่อเสียมีสัมมมีสัมมาวาจาคือมีวาจาเป็นสัจมีเป็นเป็นเนจะทําข้อทีข้อห้าก็คือดื่มน้ำเมาแท้ที่จริงดื่มน้ำเมามันเป็นเรื่องของวัตถุวัตถุมันเป็นทับวัตถุทำให้เราขาดสติการขาดสติขาดความรู้สึกขาดความสํานึกการดื่มสิ่งที่เป็นวัตถุเข้าไปฉันอยากกินเหล้าเข้าไป ญญาากินยาบ้าเข้าไปกินยาอียาไอยาอะไรเข้าไปมันทําให้เราขาดสติอขาดความเป็นคนขาดความรู้สึกชัดเจนในตัวของตัวเองเกิดความรู้สึกเคลิ้มไปตามสิ่งเหล่านั้นมันทับเช่นภาษาเรียกว่ขาดสติคนเราถ้าหากขาดสติแล้วก็ไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วมีความรู้อยู่มีผู้รู้อยู่แต่ไม่รู้ว่าผิดชอบชัว่วดีเพราะฉะนั้นถ้าหากใครติดสุรา ทำให้เราชอบเมาอยู่เรื่อยๆทําให้คนนั้นน่ยผิดศีลข้อหนึ่งก็ง่ายข้อสองข้อสามข้อสีก็ง่ายผิดศีลง่ายเพราะมันหมดความยับยั้งชั่งใจของตัวเองเราดูแต่อบุบัติเหตุนบนท้องถนนเนี่ยนี่อย่างสงอย่างเนปีใหม่คราวที่แล้วเนี่ยตายเท่าไรเท่าไรเท่าไร่อย่างที่อุนดอนเขามาส่งให้ฟังผูอ้อาจารย์เมาทุกรายเลยเขาบอวันนั้นเขาไปรายงานให้ฟังนะอ่า ตั้งแต่ตั้งแต่เขาเริ่มเขาเริ่มกะมาจนถึงวันที่สองตั้งแต่วันที่หนึ่งมาจนถึงวันที่สองนัตั้งแต่ก่อนวันที่หนึ่งมาจนถึงวันที่สองเนี่ยเจ็ดวันอันตรายของเขาก็อาบอกว่าตายไปแล้วเก้ารายเมาทั้งนั้นเลยเมาทั้งนั้นเลยเมาแล้วก็กินเหล้าแลา้วเมาอ่ะอเมาแล้วมันขาดสติขาดสติแล้วมันจะรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเยียบททั้งคืนเนี่ยโอ้ยโครมลงไปหมดทั้งคันเลยเขาบอกว่านะเมาหมดทั้งคันเลย เมาหมดตั้งกันคนเมาเนี่ยแทบไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวเลยฟังก็ยังพากันไปแน่นคือเล่าคือทิฏเตียเขาบอท่านจึงให้ซ้ารวมในน้ําเมานีเป็นจะทําข้อสุดท้ายเป็นเป็นจะทําข้อห้าเรามีแค่เป็นจะสินแค่เป็นจะทำเนี่โอ้อยู่เย็นเป็นสุขทําให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์วิญญากรรมของเราบริสุทธิ์สวรรค์เป็นของเราตั้งแต่รักษาสินสวรรค์เป็นของเรา สวรรค์ทั้งหกชั้นเนี่ยเป็นของเราได้เลยล ะ, ละเอียดลึกซึ่งตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งที่สองจนถึงชั้นที่หทั้งหกชั้นนั้สวรรค์ก็เป็นของเราแต่ถ้าเราตั้งใจภาวนาพรหมโลกเป็นของเราเราตายในขณะที่กินของเราอยู่ในกองค์ฌานอย่างใดอย่างหนึง่งไปอยูบัดในพรหมโลกแน่นอนไม่เกี่ยวกับกามลผลมีความสุขอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเจริญปัญญาพิจารณาทาให้เรารู้ที่ไปที่มาของตัณหาสบงบถึงนับดับตัณหาได้เป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปราะเป็นปเปราะ เรามีนิพพานเป็นของเราสิ่งที่เลิศที่สุดที่เระเสอกัที่สุดที่เราควรสแสว่างหายหเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราเราทั้งอยากหายได้ยินได้วังแล้วก็สมบูรณ์กับจิตวิญญาณให้ได้การนี้มัเป็นเวลาที่ผู้มีป่วยและเราทั้งหดเวล า, าต้องตั้งใจทำให้ได้ให้มีตามเพศตามวัยตามวัยของเรา าตามความสามารถของเราขอ ใ, ใช้ความสามารถให้ยิงในคุ้มค่าที่สุดทั้งทั้งที่เรารู้รู้อยู่เราไปเกิดในพบูมิที่เราไม่รู้อยู่ไม่มีโอกาสคืนรู้อยู่เสียไปพบหนึ่งชาติหนึ่งนี่เราเมื่อเกิดในพบชาตินี้เรารู้เราเ้าใจเรื่องเหล่านี้ถ้าหาเราปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดไม้หลุดมือไปเราก็เสียโอกาสไปพบหนึ่งอีกชาติหนึ่งเราไม่ปล่อยทำาจานี้ไปจนตาย ผลอ น, นิสงส์ทั้งหลายเหล่นี้ก็เท่ากับเราขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปยังไม่ถึงขั้นสิ้นสุดถึงขนาด น, นั้นก็เป็นการปูพื้นฐานให้เราขยับเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปอย่างน้อยมีสวรรค์เป็นที่ไปเราก็จะพอมีที่พักผ่อนหย่อนใจซบม่อแล้วได้ความสงบมีพรหมโลกเป็นที่ไปมีปัญญารอบรู้เกินมา พบภูมชิชั้นไหนชั้นไหนปัญญาเลิศ ท, ที่สุดในโลกที่สุดในโลกพระเอร์ที่สุดในโลกเราควรสะควรแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นขึ้นใ น, นใจของเราเอาละวันนี้จบเพียงเท่านี้เราก็แยกย้ายกันไปภาวนา ต่อไปเช้าด้วยนะนี่นี่มาครับมีเวลาเท่าไหร่แล้วสามทุ่มอ่ะพอดีแหละไปเยียงย้ายกันคักผ่อนมีมาทุกวันหรือเปล่าแทบแค่ทุกวันแค่ทุกวันทุกแค่ทุกวันทั้งเดือนเ่ะกี่วันเอ๊ะชีไม่ได้มาีอ๋อชีเหรออ๋อดูตาเราเนะ อไปเอาเงิเอาบุญอย่างเดียวให้ดูให้ออกกรรมของใครของเรากรรมของคนนั้นคนนั้นเรื่องของกรรมของเขาอย่าไปรับมาพิจารณาใครควรด้วยสติด้วยปัญญาของเรากรรมของใครของเราถ่ายแล้วไปตามบุญตามกรรมของใครของเราอย่าไปเอากรรมของเราไปขวางกรรมของคนอื่นอย่าากรรมของเรา ไปจับมือกับกรรมของคนอื่นหมายความว่าเอากรรมไปผสมปนเปกันคิดให้ออกคิดจะไให้ออกกุศลของเขาคือของเขากุศลของเราคือของเราอ่ะกุศลของเขาคือของเขาอกุศลของเราคือของเรารักษาแต่กุศลของเราให้อยู่ไว้ให้อาภิสุชนเขมือมันมาแทรกเพราะเราต้องการความสุขความเจริญให้ทุกอยางลาบากขนาดนั้นก็ตามเรารู้วิธี เราทําให้ใจของเราได้รับความสุขความชุมม่มเยนหัวใจใเราเรามองเห็นคนอื่นเรามองไม่เห็นดอกอย่าให้คนอื่นมนท า, ใใ า, าทายใจให้เราเราให้เราทายใจของเราเองแต่ต้องแน่นอนมั่นคงกับศีลกับธรรมจ๊อก <c ười>